นี้พระเจอผีนะคะขออนุญาตนําเอาเรื่องราวของครูเหมเวชกรมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหนังสือที่ท่านเองได้เขียนไว้นะคะมาอย่างยาวนานแล้วก็ค่อนข้างจะหาได้ยากพอสมควรมาที่นี้บีเองก็ต้องขอบพระคุณคุณพี่ธนพงศ์ทวีวุฒิที่วัฒนกุลด้วยนะคะที่กรุณาพระเจอผีเรานะคะให้นําเอาเรื่องราวเหล่านี้นะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ ฟังได้ฟังกันจริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องแล้วก็หลายตอนพอสมควรนะคะแต่ว่าวันนี้บีเองก็ขออนุญาตนําเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งของนายทองคำเมื่ออายุยังน้อยแล้วก็ได้รับการศึกษาอยู่ที่อยุธยาเหตุการณ์เกี่ยวกับพูดผีปีศาจตอนนี้ได้บันทึกจากปากคําของนายทองคำไว้ทุกประการ เรื่องที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังตอไปนี้จะเป็นปีอะไรก็จำไม่ได้ซะแล้วแต่เวลานั้นอายุของผมราว 12-13 ถึงปีก็ได้เคยประสบกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับผีร้ายกาดตอนหนึ่งเป็นสมัยที่ผมกําลังอยู่กับยายที่อยุธยาใกล้ตัวจังหวัดปีนั้นเกิดโรคระบาดร้ายแรงขึ้นอย่างหนักชาวบ้านชาวสวนชาวนาชาวไร่ตายกันอย่างหนักทุกวี่ทุกวันข่าวการตายของกาลโรคแพร่สะพัดไปทางอายุธยาที่นู่นก็ตายที่นี่ก็ตาย พระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ละเว้นผู้ที่ไม่ตายก็พากันหนาวสะถานไปตำามกันทั้งกลัวโรคแล้วก็กลัวพูดผีปีศาจที่ตายซับตายซ้อนแทบจะไม่เว้นในแต่ละวันอยุธยาในตอนนั้นเงียบเหงาเศร้าโศกที่ใดที่เคยมีผู้คนชุมนุมขับทัง่งก็บางตาแทบจะไม่มีคนไม่มีการเที่ยวเตะชื่นบานกันอย่างเคยเก็บตัวอยู่กับบ้านบ้านใครบ้านมันอยู่อาศัยกันก็อยู่กันแบบระวังตัวกลัวตาย การสุขาพิบาลของเราตอนนั้นยังไม่เข้มแข็งชาวบ้านหันเข้าพึ่งพระรถน้ำมนต์ปัดรังควานกันไปบ้างก็ผูกสายศีลที่คอแล้วก็ข้อมือในยามค่ำคืนก็จะได้ยินแต่เสียงสุนัขหอนอย่างเยือกเย็นทุกแห่งยายของผมแกบอกว่าเสียงอย่างนี้เป็นสัญญาณแห่งมรณะการไข้จะลุกลามอย่างไม่หยุดหย่อนความตายที่เกิดจากโรคนั้นตัวผมไม่รู้สึกกลัวแต่ว่าเรื่องกลัวผีนี่สิหนาวสะท้านเข้าหัวใจ ข่าวการตายได้เพิ่มแก่หูอยู่ทุกวันก็รู้สึกว่าแทบจะทุกแห่งจะมีเงาของปีศาจวูบวาบไปหมดเข้านอนกลางคืนพอดับไฟหมดแล้วก็ไม่อยากจะหายใจเสียงดังก็เกรงกลัวว่าปีศาจจะได้ยินนอกบ้านออกไปไกลๆเสียงสุนัข ก, ก็เห่าหอนเป็นหมู่เยือกเย็นไม่ขาดเสียงยิ่งนึกถึงคำพูดของยายที่ว่าเสียงอย่างนี้เป็นสัญญาณแห่งมรณะก็ยิ่งเกิดการหนาวสะท้าน กลิ่นธูปที่ยายจุดบูชาพระตลบอบอวนไปทั่วบ้านทำให้เกิดความกลัวเพิ่มขึ้นยายของผมอาจจะกลัวตายมากกว่ากลัวผีผมไปโรงเรียนแกก็สั่งให้รีบกลับห้ามแวะเวียนไปไหนกลัวจะนำเชื้อโรคกลับมาด้วยตอนเย็นจนค่ำแกปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วก็เริ่มจุดธูปจุดเทียนบูชาพระแล้วก็พูดดังๆขอพรพระมิให้โรคเข้ามาใกล้ไกลเช้าวันหนึ่ง เป็นวันพระผมหยุดไปโรงเรียนชะโงกหน้าต่างมองออกไปที่ทางเดินก็เห็นคนหามลงศพเดินผ่านไปอย่างเร่งรีบผมหลบหน้าวูบเข้าบาังฝาใจคอสั่นนั่นหมายถึงว่ามีใครตายใกล้บ้านเราเข้าแล้วสิผมร้องบอกยายแต่ยายรีบเอามืออุดปากผมผมก็เลยนิ่งเงียบยายนั่งลงพนมมือไหว้พระสวดมนต์ผมไม่ได้สวดแต่ก็แอบนั่งอยู่ใกล้ๆนั่นเอง ตกตอนสายผมยังคงคลุกอยู่ในห้องรูปคลํากังหันที่ผมลองทําขึ้นเองเพราะผมเคยเห็นเพื่อนบ้านเขาทํากันเวลาลมแรงๆกังหันชนิดนี้จะร้องเสียงดังหึ่งๆได้แต่ที่ผมทําเองนั้นมันจะร้องได้หรือไม่ก็ยังหาดู้ไม่ผมพยายามทําอย่างไม่มีครูเห็นเ้าทํามาก็คิดทําเองจึงยังไม่แน่ใจว่าจะดังหรือไม่ดังความจริงนะชายห่างๆของผมคนนึงแกชื่ออัน๋นบ้านแกอยู่ในคลองบางสะแก แกเคยรับปากผมว่าจะทําให้ผมเล่นสักอันหนึ่งแต่ น, น, นานๆแกจะมาหาผมสักทีหนึ่งผมก็คอยแล้วคอยเล่าเอามือคลํากังหันที่ยังไม่สมบูรณ์ในใจก็นึกถึงน้าอั๋นไปเนี่ยถ้าน้าอั๋นอยู่คงจะดีน้าอั๋นคงจะทําให้ผมก็พอดีผมได้ยินเสียงยายที่นั่งอยู่ท้ายครัวตะกลงทักเรียกชื่อคนที่ผมคอยนักคอยนะเอา้านั่นเจ้าอั๋นเหรอพอผมได้ยินคํานี้เท่านั้นแหละดีใจกระโดดพรวดออกจากห้องตรงไปที่ยาย แต่ไม่เห็นนะอันเห็นแต่ยายนั่งทําอะไรอยู่คนเดียวไหนล่ะยายนะอันผมถามแกแกกลับเลิกคิ้วมองดูผมอา้าวมันไม่ได้เข้าไปหาเองหรอกเหรอเปล่าจ้ะยายเอ๊ะถ้ามันจะเลยไปบ้านโน้นกระมังเป็นน้อันแน่นะยายป่ะมันยังยิ้มให้ข้าอยู่เลยนี่วาเอา๊ะยายจาเมื่อกี้ยายเห็นน้อันเขาถือกางหันมาด้วยหรือเปล่าอืมไม่เห็นว่ะ ไม่เห็นมันถืออะไรเลยมันยังยกมือไหว้ค่านี่ไม่เห็นมันมีอะไรมาเลยนะผมเสียใจวูบถ้านหน้าอั๋นไม่ถือกังหันติดมือมาด้วยก็แปลว่าหน้าอั๋นไม่ได้ทำให้ผมอีกตามเคยรู้สึกเสียดายเป็นกำลังนานๆแกจะมาจากคลองบางสะแกสักหน ด้วยความอยากพบผมจึงเดินออกไปดูข้างนอกบ้านเมื่อมองไปไม่เห็นก็เลยรีบไปบ้านยายอ่องเพราะตามเคยถ้าเขามาหายายเขามักจะเลยไปบ้านยายอ่องทุกคราวถูก้อกันนักกับนสมลูกชายยายอ่องเรื่องกระบี่กระบองคุยกัน3มวันสี่วันก็ไม่จบไม่พบหน้าอันที่บ้านยายอ่องอย่างที่คิดไว้ก็เลยเดินดูแถวลใกล้จนทั่วก็ไม่พบกลับเข้ามารายงานกับยายตามนั้นเอตาจะฝาดไปกำังหว่า ย า, ยาแต่มันยืนอยู่ที่ประตูนั่นแหละพอข้าทักมันแล้วข้าก็ก้มหน้าทำอะไรของข้าต่อไปแล้วมันก็ไปสักข้างไหนก็ไม่รู้แกก็บ่นแล้วก็มองตาผมอย่างขอความเห็นใจยายเห็นใครก็ไม่รู้ผมก็พูดอย่างรําคาญใจนึกเสียดายไม่ได้พบกันพูดแล้วก็เดินเลยเข้าห้องอย่างหมดหวงังหยิบนิทานอีศพมาอ่านเพื่อที่จะดับความพลุงพลานไปในที่สุดผมก็หลับไป เป็นเวลาสักบ่ายสามโมงเย็นผมตกใจตื่นโดยมีเสียงใครมาพูดอย่างร้อนรนกับยายและมีเสียงยายโต้อตอบบ้างบางคำแล้วก็เป็นเสียงตกใจเช่นกันผมรีบออกจากห้องไปที่ที่เขาพูดกันอยู่ที่นั่นก็พบหญิงคนที่บ้านหนอันคือพี่สอนนั่งพูดกับคุณยายข้านึกไม่ผิดแล้วเชียวอีสอนเอ้ยพอเห็นหน้ามันมาที่ประตูเมื่อเช้านี้แล้วก็หายไปข้านึกสังหอนใจอนิจจังทุกขังอนัตตาอุตสาห์มาให้ข้าได้เห็น คำพูดของยายคำนี้สกิดใจผมพิลึกอะไรเจะยายไอ้อันนะสิมันตายเมื่อเช้ามืดนี่เองผมตกใจตัวชาวูบคล้ายจะล้มลงทั้งยืนรีบซุดลงนั่งแม่ใจคอฉันนะ่ะมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยพี่สอนพูดต่อมันเพิ่งจะเข้าไปหมู่บ้านฉันเองไอ้เกาที่แพ่ขายของใกล้บ้านนี้ก็ตายเมื่อวาน พี่สอนหยุดพูดแล้วก็ยกแขนตัวเองขึ้นดูแม้ฉันพูดมาแล้วฉันขนลุกพูดต่อไม่ได้แล้ววะ่ะเออเมื่อคืนนี้เายทวดแกฝันไปว่ามีใครก็ไม่รู้บอกแกว่าการไข้คราวนี้จะกินคนอีกไม่น้อยจนกว่าหลุมฝังศพจะซ้อนกันนั่นแหละถึงจะหยุดพี่สอนพูดพร้อมกับยืนกอดอกจนตัวรีบ ส่วนอาการของยายนั้นหน้าขาวเผื่อยดวงตาเปิดกว้างสําหรับอาการของผมนั้นมองไม่เห็นตัวเองรู้สึกเพียงว่าใจคอสั่นและเต้นไม่เป็นระเบียบไปกันเถอะยายพี่สอนเตือนเขาให้รีบมาบอกยายเร็วๆพอพบจะเอาศพไปฝังหมอหลวงเขาเร่งให้ฝังแต่กลางวันพอผัดเข้าไว้บอกญาติไปทั่วกันก่อนอะไปสิไปไปยายพูดพร้อมกับลุกขึ้นจะไปแต่งตัวแล้วก็หันมาทางผมเอา้า เจ้าคำรีบหาเสื้อผ้าใสเร็วผมไม่อยากจะไปเลยกลัวเหลือเกินเรื่องความตายแกตายแล้วยังมาหาเมื่อเชา้านี้ซ้ํายังจะไปหาศพแกอีกใครจะกล้าแต่จะไม่ไปนั้นก็ไม่ได้จะอยู่คนเดียวที่บ้านไม่ไหวแน่เมื่อเชา้านี้ถ้ายายตาฝาดไปก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดหน้าอันมาจริงๆตามที่เห็นถ้าผมเฝ้าบ้านคนเดียวแล้วหน้าอันสวนทางมาเยี่ยมผมผมก็ตายเท่านั้น ตกลงใจไปดีกว่าอยู่วะสวมเสื้อแล้วก็เดินทางกันไปทั้งสมคนเราเดินทางโดยเรือแจวที่มีพี่สอนเอามารับตลอดทางในคลองผมไม่เบิกบานใจจะชมนกชมไม้อย่างเคยใจมันกลุ้มมันออนละเวงอยู่ตลอดเวลายายกลัวจะช้าก็เลยคว้าพายช่วยจ้ำหัวเรืออีกคนนึงตอนท้ายพี่สอนเป็นคนแจวผมเองพายไม่ค่อยออกแรงเท่าไหร่นักเพราะไม่คิดอยากจะถึงเร็วคิดว่าถ้าบ้านไกลกว่านี้จะดีมาก ต้องพักหยุดค้างที่บ้านอื่นก่อนแล้วค่อยไปจะพอผ่อนความวุ่นใจลงได้บ้างแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าบ้านนาอันจะถึงอยู่ในชั่วครู่นี้แล้วเรือเทียบตทลิ่งหน้าบ้านซึ่งมีที่จอดเรืออยู่แล้วมากลำมองขึ้นไปบนบ้านเห็นพวกบ้านใกล้แล้วก็บบ้านไกลมานั่งเศร้าๆแววตามีทุกข์ร้อนมีคนมากก็จริงอยู่แต่ไม่มีใครพูดจากันเอะอะเหมือนศพที่ตายกันธรรมดาตอนกลางคืนก็จะมีสวดพระอภิธรรม ก็ย่อมมีเสียงเ อ, อะอะพูดจาจัดงานกันแต่นี่เป็นศพที่ต้องรีบนำไปฝังในตอนพลบค่ำนี้จึงไม่มีใครจัดทําอะไรกันด้วยว่าศพก็อยู่ในโลงแล้วเพียงแต่รอญาติมาพร้อมกันเท่านั้นบางคนนึกแช่งผู้ที่มาช้าโดยเป็นผู้่วงเวลาให้พลบค่ำที่ไม่เหมาะแก่การจะไปฝังจะต้องขมุกขมัวอยู่ในป่าช้าขุดลุมฝังกว่าจะเสร็จ ฟืนไฟบ้านเราจะเอาที่ไหนสว่างนอกจากดวงใต้แดงๆฉะนั้นทุกคนจึงมีสีหน้าไม่ค่อยดีบ้างก็เศร้าใจที่ตายแล้วก็ไม่ได้สวดกันดูคล้ายๆรีบหามเอาไปทิ้งบางคนที่มีสีหน้ากังวล น, นั้น<ส>เห็นจะมาจากเกรงภัยของไข้คราวนี้ที่ระบาดทั่วไป<ส>ก็เลยหวั่นๆ ว, นว่าจะมาถึงตัวส่วนของผมเองไม่มีความกังวลตรงกับใครกังวลแต่เรื่องผีเท่านั้นตายกันมากผีก็มีอยู่ทั่วไป และใกล้ที่สุดก็คือผีของหน้าอัน๋นการที่ตายรวดเร็วและไม่ขาดวันก็เป็นที่น่าสะดุ้งใจและสะลดใจอยู่เห็นๆกันมาแล้วตายจากกันไปคนบ น, นอกอยู่ในวงแคบๆใครตายแล้วใครอยู่ก็รู้จักกันหมดสุนัขบ้านตรงข้ามคลองฟากนน้นก็หอนกันสะท้านใจผมหันมองทางเรือนฝั่งคลองที่เสียงสุนัขหอนเห็นปิดประตูหน้าต่างเงียบเขาคงไม่อยากจะสู้หน้ากับการมรณะในยามนี้ สุนักก็มีโอกาสหอนตามใจมันไม่มีใครห้ามปรามผมก้าวขึ้นบันไดาตามยายขึ้นไปบนเรือนด้วยความท้อแท้ประหวั่นกลัวเลยแอบนั่งรวมๆกับคนแก่ๆที่ระเบียงไม่ยอมขึ้นไปบนห้องให้ยายแกเข้าไปแต่เพียงผู้เดียวเสียงญาติร้องไห้พลางรำพันความดีของหน้าอันระงมเยือกเย็นไปทางบ้านผมหนาวใจอยู่แล้วเลยสะท้านใจขึ้นมาอีกเสียงของยายเรียกผมอยู่ในห้อง ผมจึงย่องหลีกคนไปลับๆ ล, ล่อๆที่หน้าประตูยายบอกว่ามาไหว้นะเขาซะสิผมลังเลใจแต่กลัวยายก็กลัวกลัวหน้าอ๋ันก็กลัวเหมือนกันทางที่ดีที่สุดรีบยกมือไหว้เสียที่ประตูนั่นเองยายก็ไม่ได้ว่าอะไรผมรีบถอยกลับลงมาที่พื้นดิน พอพวกญาติที่แข็งแรงช่วยกันยกลงศพลงบันไดบนเรือนก็ร้องไห้กันโหดังเวนก ร, รมเพราะคุณเอ้ยไม่ได้ฟังสวดให้จบเลยสักจบเดียวตายแล้วก็ทิ้งไปเสียงคนแก่คนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักนั่งพูดอยู่บนเรือนเสียงแหบแหง้งผมหนาวเย็นจับใจขึ้นมาดวงอาทิตย์ต่ำลงมาจนรับไม้ทุกๆคนหน้าขาวซีดเขากลัวตายแหงไข้แต่ผมกลัวทุกอย่าง พอศบลงเรือสุนัขบ้านตรงถ้ำก็หอนขึ้นอีกเรือค่อยๆเคลื่อนจากท่าแล้วก็แจวไปทางวัดอย่างเงียบๆไม่มีใครคุยกันเลยมีแต่เสียงแจวกระทบน้ำและระรอกคลื่นที่คอเรือดังเบาๆเรือผ่านบ้านใครสุนัขบ้านนั้นก็หอนบ้านนั้นก็งับประตูหน้าต่างจนสิ้นผมมีความรู้สึกว่าเครึ่องเป็นเครื่องตายหายใจอยู่หรือเปล่าก็ไม่ได้สังเกต พวกเด็กๆบนบกพอเห็นเรือศพต่างวิ่งหนีหลบไปเสียงชาวบ้านพึมพำบ่นถึงการตายยายแก่หนังเหี่ยวร้องขอความคุ้มครองต่อเทพเจ้าออกมาดังๆเจ้าพ่อเจ้าแม่เอ้ยจะรุกรันไปถึงไหนตายก็มากแล้วผิดสิ่งใดก็ลงโทษไปพอแล้วขอกรุณาหยุดแต่เพียงนี้เถิดเจ้าค่ะยายนั่นแก่จะร้องขอโทษใครผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าผมอยากร้องไห้อยู่ท่าเดียวคิดถึงบ้าน ถ้าผมขออยู่เฝ้าบ้านและอาศัยนอนกับน้าสมลูกชายของยายอ่องก็ดีไปแล้วไม่ควรใจง่ายมากับเขาเอ๊ะทำไมเรือมันหนักจริงเว้ยทิดน้อยพายหัวเรือร้องบน่นความจริงน่าชงนทิศกล่องแจวท้ายก็ไม่ได้ละลดรวมทั้งทิศน้อยพายหัวก็ออกแรงกันเต็มที่แต่เรือเหมือนไม่ขยื่นพอขาดคาของทิศน้อยตาเถิงจุปากห้ามคล้ายมีอะไรเป็นความลับที่ไม่ควรพูด ผมสงสัยนะักกระซิบถามพี่สอนว่าตาถึงแกห้ามที่สอนทำไมอะพี่ห้ามสิพี่สอนกระซิบตอบใกล้ที่หูคนตายจะมาวัดพวกที่ป่าช้าจะพากันมารับหรืออาจจะมานั่งในเรือเราด้วยเรือมันก็เลยหนักพอพี่สอนพูดดังนั้นผมก็สะดุ้งไปทั้งตัวเหลือบตาไปดูทั่วเรือมองไปข้างหน้าเห็นวัดไกลๆอากาศชักจะมมัว หูผมแววคลายว่าที่วัดมีปีพาดมอนเสียงตะพลใหญ่ดังเท่งทึงลอยมาตามลมเบาๆทำให้นึกไปว่ามันเป็นเพลงเชิญศพที่กำลังจะไปถึงและป่านนี้ผู้ตายที่นอนอยู่ในโรงคงไม่ได้ลืมตาเงี่ยหูฟังอยู่ในโรงศพกระมังยิ่งคิดก็ยิ่งหวาดกลัวสะท้านใจไม่มีสุขเลยเรือได้เข้าจอดที่หน้าวัดดินงอกออกมาเป็นหาดในหน้าแ้งคนในเรือต่างก็รีบจะขึ้นไปทากิจการให้แล้วก่อนค่า การลุกขึ้นแก้กังกันนี้เองทำให้เรือแทบจะล่มจึงเอะอะด่าทอกันกลุ้มไปถ้าเรือล่มลงจริงๆศพจะลงน้ำจะทำให้ความทุลักทุเลอีกโขทีเดียววัดนี้ผมไม่เคยมาเพิ่งจะเหยียบย่างเป็นครั้งแรกหน้าวัดมีเลนงอกออกมาพ้นตลิ่งมากแต่ได้แห้งเขินเป็นทรายหาดไปต้นหญ้าขึ้นเขียวดูดังสนามหญ้าน่ารื่นรมมองฝั่งตรงข้ามเป็นวัดร้าง เหลือแต่เพียงหลวงพ่อนั่งตากฝนตากแดดตากลมโดยโบสถ์มีแต่ฝาไม่มีหลังคาหลังวัดโกโรโกโโเป็นทุ่งนาโลง่งเราหันหน้าเข้าวัดจะเห็นสาราการประเรียนใหญ่อยู่ซ้ายมือเราสารานี้อยู่แนวเดียวกันกับโบสถ์ที่อยู่ขวามือเราส่วนกุฏิพระทั้งหมดลึกเลยสาราแล้วก็โบสถ์เข้าไปเมื่อศพถูกหามขึ้นโบกเดินเลาะชายหาดดินไปหน้าศาลาจะสู่ป่าช้า พวกญาติที่เดินตามร้องไห้ไปอย่างน่าระอาใจผมถูกใช้ให้เฝ้าเรือนึกเหมาะแก่ใจแล้วถึงกล่าวเปลี่ยวก็ยังดีกว่าการตามศพเข้าสู่ป่าช้าสุนัขที่สาลาการประเรียนและลานโบสถ์ได้หอนต้อนรับศพที่หามไปผมยืนขนลุกไปทั้งตัวพอศพลับมุมตรงสาลาไปผมจึงสุดตัวลงนั่งที่เนินหญ้ามองท่อดตาไปทั่วๆคลองนี้ช่างกะไรยังไม่ทนันค่า ไม่เห็นมีเรือแพพายผ่านมาบ้างเลยบ้านสองหลังถัดวัดไปทางโน้นเงียบเหงาคล้ายไม่มีคนอยู่เป็นอันว่ายามนั้นไม่มีคนเลยในที่ใกล้และที่ไกลมองบนวัดก็มีอากาศึมของศาลาและไม้ใหญ่ความมืดค่อยๆ ค, คลืบคลานเข้ามาทุกขณะผมเกิดไม่สบายใจขึ้นเป็นลำดับชักจะอยู่คนเดียวไม่ได้ครั้นจะตามเข้าไปบ้างก็ห่วงเรือที่เขาให้เฝ้า ภาวนาขอให้เขารีบทําให้แล้วเสร็จเร็วๆจะได้กลับมามันช่างเงียบหน้าวาดสะดุ้งเหลือเกินนอกจากเสียงน้ำไหลกระทบกิ่งไม้แห้งๆที่ปากไว้ข้างคลองและพงอ้อพงแขมต้นไผ่ฝั่งตรงข้ามก็เบียดกันเสียงดังออดแอดพอเหลียวไปเจอเรือที่มาก็ใจหายวูบนั่นคือเรือศพและศพเพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้ในขณะที่กาลังคิดอยู่นั้นระฆังวัดก็ดังขึ้นเขาเรียกพระ ลงมาบาังสุกุลเจ้าสุนักห7เจตัวที่ลานโบสก็หอนประสานเสียงระฆังขึ้นมาความรู้สึกของผมสู้ส้าไปหมดผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ช่างใจดำทิ้งผมไว้คนเดียวในสภาพเช่นนี้เป็นไรเป็นกันทิ้งเรือละต้องตามไปรวมกับเขาให้ได้ผมรีบก้าวเท้าไปทางที่เห็นเขาเดินกันไปเป็นหมู่เมื่อตอนแรกพอเข้าเขตศาลาใต้ถุนสูงทั้งบนศาลาก็มืดใต้ศาลาก็มืดยืนชะงักอยู่แถวนั้นเอง มองไม่ออกว่าทางไหนเข้าไปในป่าช้ากันจะหาเด็กวัดสักคนก็ไม่มีจะตามไปคนเดียวโดยไม่รู้ทางเรื่องเข้าป่าช้านั้นยากยิ่งผู้ใหญ่เคยพูดว่าเวลาพลบค่านี่เป็นเวลาที่พวกผีจะออกจากโลงออกจากหลุมขึ้นบนพื้นดินเพื่อดัดแข้งดัดขาให้หายเมื่อยที่นอนอัดอยู่ในโลงตลอดวันตลอดคืนยิ่งคิดใจก็ยิ่งสั่นจะเป็นลมตัดสินใจวิ่งกลับมาที่เดิม บนสารามืดไม่กล้ามองขึ้นไปเกรงจะพบใครเข้าเสียงตุ๊กแกบนสารากา ร, ปรเปียนร้องกระโชคขึ้นผมสะดุ้งจนตัวลอยหัวใจแทบทะลักออกมาทางปากอยู่เงียบเงียบแล้วมาร้องกระโชกอย่างไม่รู้ตัวเสียงมันคล้ายคนแก้งร้องตั้งท่าจะวิ่งกลับที่เก่าให้พ้นสาราโดยเร็วก็พอดีว่าเห็นชายผู้หนึ่งเดินอุ้มอะไรแนบอกมาดูว่าเขาจะไปทางป่าช้าก็ดีใจว่าจะได้อาศัยเขาเดินไปด้วย ชายคนนั้นเดินใกล้เข้ามาอากาศมืดสลัวไม่รู้ว่าใครเป็นใครใจค่อยชื้นขึ้นที่พบคนพอเราต่างใกล้เข้ามาจนเห็นหน้ากันถนัดชัดเจนก็รู้เลยว่าเขาคนแปลกหน้าไม่ใช่พวกเราที่มาด้วยกันเขาอาจเป็นคนบ้านนี้สิ่งที่เขาอุ้มมาคือเด็กแดงๆนั่นเองนอนอยู่บนเบาะเล็กๆฝากเด็กนี่เดี๋ยวเถอะหนูชายคนนั้นพูดอู้อีและเสียงแหบแห้งแต่ก็พอฟังรู้เรื่อง ผมนิ่งอยู่ไม่ตอบว่ากระไรใจก็นึกอยู่ว่าอะไรกันพ่อเอ้ยฉันเองก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วจะมารับฝากเด็กเข้าไว้ผูกคอฉันอีกแล้วก็ตายแน่เดี๋ยวฉันจะกลับแล้วผมบอกกับเขาเพื่อบ่ายเบี่ยงจะกลับเมื่อไหร่ล่ะเขาถามพอเข้าฝังศพเสร็จก็กลับผมบอกโอ้ยงั้นแล้วก็อีกนานชายคนนั้นบอกผมฝากเธอนะพราะคุณแม่มันไปฝังศพเขาจะเข้าไปตาม เอาทำไมนะ้าไม่อุ้มไปเลยล่ะก็จะพบกันที่นู่นผมแยง้งปัดโตเด็กๆเอาเข้าป่าช้าได้เหรอเขาแย้งกับผมด้วยเหตุผลที่ทําเอาผมเห็นจริงนะอย่าไปช้านะเออนะ่ะถ้าจะวิ่งไปเป็นอันว่าผมรับเอาเด็กคนนั้นไว้โดยคิดแล้วว่าแม้จะเป็นเด็กเล็กๆก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวไม่พูดอะไรอีกตรงเข้าไปรับเด็กเลยไปเร็วๆนะนะถ้ามันร้องขึ้นฉันแย่เลยเออเอออ เขาตอบแล้วก็รีบวิ่งไปตามคำที่เขาบอกว่าเขาจะรีบไปผมรับเด็กแล้วก็กลับมาที่เนินห ญ, ญา้าวางเบาะเด็กลงรู้สึกว่ามันอ้วนตัวหนักพอผมนั่งพักหายใจหัวใจผมยังเต้นรัวๆไม่ได้สติสตางดีเจ้าของฝากของผมก็เริ่มสดงเด็เดชคือร้องไห้งอแงขึ้นมาผมต้องอุ้มแล้วก็หลอกล่อปลอบประโยนตามเกณฑ์แต่มันก็ไม่ยอมจะอือจะแอะอะไรมันก็ไม่ฟังทั้งนั้นมันร้องดังจนแสบหู เจ้าเวรเจ้ากรรมเออผมแลบลิ้นปลิ้นตาเล่นกับมันจะให้มันถูกอารมณ์มันก็ไม่หยุดผมวางมันลงกับดินแล้วก็ขึ้นเต้นขนอย่างกระฉับกระเฉงความกลัวหายไปเวลานั้นโดนพ่อเจ้าประคุณแผงลงฤทธิ์เสียเสียงกล้องไปหมดจะโอจะเอฉันไม่เอาอ้อนบัดทบถ้าไม่อ้อนก็น่าชมมันอ้วนท้วนดีแต่อ้อนเทจนอยากโยนทิ้งลงท้ายผมชักฮึดมึงร้องได้มึงร้องไปปล่อยมันนอนร้องไห้สบาย ในครู่นั้นเองเด็กเจ้ากรรมก็หยุดร้องไห้ไปเฉยๆแล้วเปลี่ยนเป็นหัวเราะคิกๆผมชะโงดใจจึงก้มลงไปดูอากาศมันมืดจนมองแทบไม่เห็นจึงก้มลงใกล้ๆมันมันก็ชูมือไขวาควายหน้าผมในความมืดสลัวทันใดนั้นเองผมก็ร้องขึ้นสุดเสียงไอ้เด็กแดงๆนั้นหน้าตามันเป็นผู้ใหญ่แก่ๆหัวเราะฟันเต็มปากแต่ฟันดำอย่างกับคนกินหมาก แล้วเสียงหัวเราะของเด็กนั้นก็กลายเป็นเสียงหญิงแก่หัวเราะผมกลัวสุดขีดพุ่งหัวเข้าพงหญ้าเอาหน้าซ่อนแล้วเลยหมดสติไปเลยผมมารู้ตัวอีกทีหนึง่งเมื่อรู้สึกว่าหัวผมหนุนตักใครอยู่ผมลืมตาก็รู้ว่าเป็นตักของยายนั่นเองแกกำลังบีบพิมเสนใส่จมูกไฟดวงใต้สว่างจ้าคนทั่วไปถามผมว่าเป็นอะไรผมตอบไม่ออกครั้นมาถึงบ้านแล้วผมล้มเจ็บซะหลายวัน เเผผมร่วงจนหัวโกรนและก็พอดีกันกับการละโลกได้ยุติลงเหลือไว้แต่เหตุการณ์ต่างๆที่ใครจำได้ก็เล่าสู่กันฟังต่างๆรายไป